ตับคุณพระตนะตะไลครูกาญจารยไพศาลพระเทระนุเทระเพื่อนสัตมิทุกท่านสามเนนสามเนลีไมชีและญาติธรรมทุกท่านในพุทธศาสนานี้มีคำสั่งสอนมากมายเราจะเห็นถึงประมาณที่เรียกว่าเก่าได้ว่าแปดหมืนสี่พันมัธมคัญ แต่ถ้าโดยสรุปย่อแล้วเนี่ยสามารถสรุปได้ว่าที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนมาทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้เราเห็นเห็นทุกข์และก็ให้ถึงการปฏิบัติในการดับทุกข์นั่นเองะทยยาอก็เหลือแค่สองอย่างนะคือนิการที่เราเห็นทุกข์นี้เป็นสิ่งที่เร า, าจําเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นทุกข์แล้วเราก็จะไม่ดิ้นรนออกจากความทุกข์ ซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้สวดไปในในการทำบัตรเช้าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชร า, าปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลรัดพากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งหเป็นตัวทุกข์อุปทานขันธ์ทั้ง5้านั้นก็คือการที่เรายึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ หรืออากายและใจหรือรูปนามนี่แหละเป็นตัวเป็นตนของเรานี่แหละคือสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์แล้วเราก็ได้สวดไปเรื่อยๆจนแบบว่าทำเชนไหนการทา ท, าที่สุดแห่งกองทุกนี้จะปรากฏชัดแก่เราได้แล้วเราก็ต่างคนต่างสวดระหว่างพระกับโยมแล้วก็มาสรุปว่า ขอให้การมาพิพรมอาจา ร, รย์นี้ขอเป็นที่ถึงที่สุดแห่งกองทุกทั้งซี น, นี้เทินก็คือทําฉนัยนั่นแหะเราจึงจะออกจากกองทุกนี้ได้อันนี้ถ้าเราย้อนกลับมาพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงในเรื่องอุปทานขันธ์ทั้งห้าอีกว่าให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงถึงความที่ทนไม่ได้อถึงความที่ไม่ใช่ตัวเมตตนของขันธ์ทั้งห้านั่นเอง ให้เห็นทั้งขันทั้งห้านี้อตกอย่างในกฎปัตตรลักษณอคือความแปลเปลี่ยนไปนะทุกๆอย่างมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความแปลเปลี่ยนอมีแต่ความทนไม่ได้จึงเป็นทุกข์นี่แหละพอเราเห็นในสิ่งเหล่านี้เราก็จะประจักษ์แจ้งว่านี่เป็นสิ่งที่เราบังคับบัญชาไม่ได้นั่นเองนะเหลือจะกล่าวย่อๆว่าให้เห็นอขันห้านี้เป็นความไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ ไม่เที่ยงก็คือมันแปรเปลี่ยนไม่ทนก็คือไม่ทนอยู่ในสภาวะเดิมได้ไม่แท้ก็คือไม่ใช่ของจริงเพราะมันไม่ใช่ตัวเมตตนแต่เราไปยึดว่าเป็นของจริงแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นของแท้นั่นเองเนาะเพราะนั้นก็สั้นๆคือไม่เที่ยงไม่ทนและไม่แท้คัวนี้เราจะทำอย่างไร ถ้ย้อนกลับไปที่ธรรมจักรกับปณิปวัฒนสูตรที่ตอนที่พระเจ้าได้ทรงแสดงครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีซึ่งเป็นปฐมเทศนาพระเจ้าได้ทรงแสดงว่าหนทางสุดโต่งสองข้างนั้นซึ่งเราไม่ควรไปทั่วพันไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็คือการมาสุ ข, ขัาริการุโยคคือการที่เราทั่วพันอยู่ในความใคร้ในการมทั้งหลายอาจเป็นของกรรมซาม เป็นของชนชั้นปุถุชนไม่มีประโยชน์ไม่ควรเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็อาากตัตตาเกลรสมาถานุโยกคือการที่ทรมานตนให้ลำบากเป็นสิ่งที่เราไม่ควรเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้ถ้าดูในประเด็นแรกนะก็คือการที่เราไม่ควรเกี่ยวข้องในกาลมสุขะเรื่องการนุโยคนั้นเราไปเกี่ยวข้องอยู่ไหม นะถ้าเรายังเกี่ยวข้องอยู่แล้วเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะเมื่อกี้ที่เราสวนว่าทำไงกันทำที่สุดแห่งกองทุกนี้จากปากฏชัดแกเราได้แต่ทุกวันนี้เราก็ยังไปเกี่ยวข้องกับกามทั้งหลายอยูนะ่แล้วต่อมาก็ได้ทรงแสดงอยู่ในอริสัตถีอีกในข้ อ, อสมุทัยหรือเหตุแห่งการเกิดทุกข์นั้นทรงแสดงว่ายายังตันหาปวโนภวิกาณ น, นทิราคะสากตา ตระตะตาที่นั่นที่นี่ก็คืออ่าสาเหตุการเกิดทุกข์นั้นคือตัณหาอันเป็นเหตุนําให้มีการเกิดอีกได้แก่ความเพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งไปในสิ่งเหล่านี้คือเสยทีทางการมตันหาคือการเพลิดเพลินไปในกามอันได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมาลมณะ ภาวตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายวิภาวตันหาคือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นทั้งหลายทั้งสามอาการนี้ก็คือสมุทยัยหรือการที่เกิดทุกข์ทั้งหลายนั่นเองเหตุให้เกิดทุกข์ครนีนะ้ในกิจของเลขกสัตว์สี่เราจะจัดการกับเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรก็คือ สมุทยัยทุกเป็นสิ่งที่เราต้องรู้อสมุทัยเป็นสิ่งที่เราต้องล ะ, ะนี่รวบเป็นสิ่งเราต้องทําให้แจ้งมักเป็นสิ่งเราต้องทําให้เกิดเพราะฉะนั้นสมุทัยก็คือเราต้องละละอะไระก็คือละกามาตัญหานั่นเองะเป็นประการแรกเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยย้อนกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุถึงความเกิดทุกข์ก็คืออประเด็นใหญ่ก็คือการมาตัญหานะ ในการที่เราไปเพลิดเพลินไปในการตัำหาทั้งหลายขณนะนี้การตัำหาเนี่ยมันเกิดขึ้นทางไหนเกิดขึ้นในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเนาะทุกวันนี้นะเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขนะมีความสะดวกสบายมากนะเพราะเรามีข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างที่นําความสุขมาให้เรานะมีตู้เย็นมีแอร์มีรถยนต์ มีบ้านมีถนนหนทางมีอะไรต่างๆนำความสุขมาให้เรามากมายแต่ถ้าพิจารณาให้ดีนะเราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่โชคร้ายนะเพราะเราเกิดมาอยู่ในกองแห่งความสุขหรือกามาตัณหานั่นเองกามาตัณหานี่เดี๋ยวนี้เราหาได้ง่ายมากนะสมัยก่อนนะเราอยากจะกดูหนังสักเรื่องหนึ่งเราจะต้องนั่งรถไป ไปยืนรอแถวเข้าคิวซื้อตัว๋วะกว่าจะดูหนังสักเรื่องหนึง่งแล้วก็เดินทางกลับใช้เวลาอะไรชั่วโมงนะโด้วยความยากลําบากแต่สมัยนี้การดูหนังนง่ายนิดเดียวนะอนะ่เปิดดูในคอมพิวเตอร์นั่นแหละอินเทอร์เน็ตโอ้ดูง่ายมากจะดูเรื่องอะไรก็ได้นะนะสมัยก่อนจะฟังเพลงดูดนตรีก็ไปต้องไปซื้อตัว๋วเข้าคิวอะไรนี่แหละเดี๋ยวนี้ก็ดูในอินเทอร์เน็ตในบทนะ ดูฟุตบอลนะเดี๋ยวนี้ฟุตบอลโลกก็ให้เราดูกันอย่างเพลินๆ น, นะจริงๆแล้วการที่ดูเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราเพลินไปนะเรามีความสุขมากนะกีฬาทุกอย่างนี่เราติดมากเลยนะกีฬาเนี่ยติดมากขนาดอดตะลับขับตะนอนตื่นมาตีสองตีสามง่วงนอนทั้งเดือนก็สาทนอนะเพื่อที่จะเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้นะแล้วที่หนักยิ่งไปกว่านั้นก็คือนะเราเพลิดเพลินหนัก ในอินเทอร์เน็ตทั้งหลายโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะมีทั้ง Facebook ทั้งไลาย i ิน t ต g r กรเยอะแยะนะทำเราติดทั้งนั้นเลยนะมีการเสพข่าวสารในโซเชียลมีเดียมากมายนะเดี๋ยวนี้สามารถดูข่าวต่างๆจากในอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ต่อไปทีวีก็ยังมีอีกเป็นเป็นร้อยๆช่องเลยนะ อันนี้พวกเป็นความเพลินอย่างยิ่งเป็นความเพลินอย่างยิ่งเลยนะจะว่าพวกเราโชคดีในสมัยนี้ก็ได้หรือจริงๆเราจะว่าโชค้ายก็ได้นะเพราะว่ามีช่องทางให้เราเพลินมากมายในสิ่งเหล่าเนี่ยให้เราไหลไปในทางตาหูจมูลิ้นกายใจเมื่อไหลไปแล้วนะมันก็เลยหลงนะหลงไปหลงไปยึดติดนะในสิ่งเหล่านีนะ้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเป็นตัวเป็นตน นะซึ่งจริงๆแล้วเราก็เป็นการสร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นนะสร้างขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างบางบางคนนะนะแม้แต่เป็นผู้ใหญ่นะหรือแม้แต่ในต่างประเทศนะเกาหลีนะก็ไปติดเกมมากมายนะติดเกมเล่นกันแบบอเป็นวันๆนะเป็นทั้งวันทั้งคืนนะอันนี้ก็จริงๆก็เป็นสิ่งเราสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะแต่เราก็ไปติดในสิ่งเหล่านั้นนะมันก็เลยทําให้เราเพลิดเพลินไปนะในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น อารมณ์ทั้งหลายนี่แหละยินดียินร้ายเพลินไปอันนี้เฉพาะที่ปรากฏกับเราในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั่วๆไปเท่านั้นนะยังไม่คิดรวมทั้งกิเลส ท, ทั้งหลายที่เข้ามาในแต่ละวันอีกต่างหากที่ทเราก็เพลินไปในอารมณ์กิเลสทั้งหลายอีกอยู่เรื่อยๆทั้งวันโดยเราไม่รู้ตัวครา้ น, นี้ <c oughs> สิ่งที่เราเพลินไปเนี่ยก็มีสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดเอาไว้ในตรงนี้ในการแก้กันก็มี ได้ทรงตัดไว้ในอาทิตตะปริยยสูตรบอกว่าซึ่งการตัดนี้ตัดแก่บุรานฉลินคือฉดินอที่หนึ่งพันกับสามรูปนะซึ่งเป็นผู้ที่บูชาไฟมาก่อนนะก็ได้ทรงแสดงอาทิตตะปริยายาสูตรให้ฟังบอกว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนสิ่งทั้งปวงคื อ, อไรสิ่งทั้งปวงก็คือ อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงผลทพ ธ, ธรรมรมนี่แหละคือของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพรา ะ, ราะไฟไฟคือราคะโทสะโมหะนี่แหละคือของร้อนนี่ได้ทรงตัดในสิ่งเหล่านี้เพราะเหตุอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนที่กระทบอยู่แล้วในรูปรสกลิ่นเสียงผลทพ ธ, ธมลมนี่แหละ แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นของร้อนนะเราเน้นเป็นของเย็นเราก็เลยชอบใจโอ้ดูหนังฟังเพลงสนุกสนานเพลิดเพลินนะหรือเที่ยวไปในกาลทั้งหลายแหลนะ่ในกาลมาสุขทั้งหลายเราก็ว่าเป็นของเย็นแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แล้วมันเป็นของร้อนนะเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟไฟคือราคะคือความยินดีความติดความเพลิดเพลินนะความป่าทะนา ความใคร่ในสิ่งที่เราเห็นได้ยินต่างๆเหล่านั้นร้อนเพลไฟคือโทสะการที่เราไม่พอใจไม่ไม่ยินดีไม่ชอบมีความชังเกิดปฏิฆะเกิดความโกรธความเกลียดในอารมณ์ที่เราเห็นในสิ่งเราเห็นเราได้ยินต่างๆเหล่านั้นเมื่อเราเห็นเราได้ยินเราเกิดความชอบ ความชังเหล่านั้นนะสิ่งเหล่านั้นก็เกิดจากการที่เรามีโมหนะเพราะนั้นไฟก็คือโมหะนั่นเองนะโมหะนีนะ้เป็นสิ่งเราหลงไปเราไม่รู้เท่าทันในขณะปัจจุบันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายและใจของเรานะความที่เรารู้ไม่เท่าทันนั่นแหละเขาเรียกว่าเราหลงไปนะเราเห็นรูปนะเรารู้ไม่เท่าทันรูปเราก็หลงไปในรูปนะเกิดความดียินอร้ายขึ้นมานะ เราหลงไปในเสียงเราได้ยินเสียงก็เกิดหลงไปในเสียงในความยินดีร้ายต่างๆขึ้นมาครานี้สิ่งที่เรายินดีร้ายนะั่นแหละคืออะไรคือเวทนานั่นเองนะคือเวทนาครนี้เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นอก็จะเป็นตันหาคือความทะยันอยากเมื่อตันหาเกิดขึ้นก็กลายเป็นอุปทานคือความยึดไปติดในตรงนั้นว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรา เมื่อกลประทานก็เกิดภพนะเมื่อเกิดพบก็เกิดชาตินะเกิดชราเกิดมรณะเกิดความทุกข์ต่างๆตามมามากมายซึ่งต่างเหล่านั้นก็เกิดจากเวทนานั่นเองที่เรารู้ไม่ทันครันะ้นี้ก็ได้ทรงยกตัวอย่างต่างๆให้เราเห็นนะในจักขู่นะจักขูคือตานะกระทบรูปก็เกิดจักขูวิญญาณวิญญาณก็คือความรับรู้ในการเห็นรูปนั่นเองนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นรูป ก็จริงแต่ถ้าไม่เกิดจากขูวิญญาณคือการไม่รับรู้เราก็จะไม่เกิดเวทนาตามมานะแต่เมื่อตาเห็นรูปแล้วนะเกิดจากขูวิญญาณคือการรับรู้ก็จะเกิดเวทนาตามมาทันทีนะยกตัวอย่างเช่นผู้ชายไปเห็นผู้หญิงที่สวยงามน่ารักนะเกิดไปรักเกิดไปชอบใจ เราก็เกิดไป ย, ด ย, ดยึดติดในตรงนั้นแล้วว่าเราชอบใจเราอยากจะพบบ่อยๆอยากจะเห็นบ่อยๆยึดว่าเป็นของเราทาั้งๆที่ผู้หญิงก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่เมื่อสักวันหนึ่งเราเห็นผู้หญิงไปพูดคุยกับผู้ชายคนอื่นเราก็เกิดความไม่พอใจเกิดความขัดข้องใจเกิดความหึงหวงขึ้นมาทาั้งๆที่ผู้หญิงนั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอันนี้เกิดจากตาเห็นรูปผู้หญิงนั้นนะ เมื่อเห็นแล้วเกิดการรับรู้ในตรงนั้นก็เกิดเวทนาขึ้นมาคือความยินดีในรูปนั้นเมื่อยินดีก็เกิดความทยานอยากในรูปนั้นคือตัณหาเมื่อเกิดตัณหาก็เกิดอุปทานคือความยึดติดในผู้หญิงนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเพนั้นเมื่อเป็นของเราแล้วคนอื่นจะมายุ่งด้วยไม่ได้ทั้งทั้งที่ผู้หญิงเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งทั้งสิ้นเลยนะหลังนั้นก็จะเกิดพบเกิดชาติเกิดความทุกข์ตามมา ทุกอใครมาคุยแล้วก็มีความทุกข์แล้วไอ้เป็นอะไรก็หรือเปล่านี่แหละมันเป็นเหตุอที่เป็นอ่าปฏิจจสมุปบาทในตรงนี้ว่าอ่าเมื่อมีเวทนาก็เกิดมีตัณหามีวทานอมีภพมีชาติมีความทุกข์ตามมาอันนี้คือปฏิจจสมุปบาทในจิตของเรานั่นเองะที่มันสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันก็เป็นเหตุนําให้เราไปเกิดใหม่นะ ครันนี้เนะี่ยจากการที่เราตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงต่างๆนีนะ้เมื่อเกิดการรับรู้แล้วมันจะเกิดเวทนาขึ้นมาในตรงเนี่ยมันเป็นสิ่งเราต้องรู้ในการที่เราปรุงแต่งขึ้นมาในใจของเราคือเวทนานั่นเองนะเมื่อเกิดเวทนาแล้วมันก็เป็นห่วงลูกโซ่ต่อไปเป็นนำให้เกิดทุกข์ต่อเพราะนั้นการที่เราจะรู้เท่าทันเวทนาคืออะไรนะก็คือเราต้องมีสตินะสติในการที่เราจะสามารถรู้เท่าทัน กิเลสต่างๆในใจของเราได้อย่างรวดเร็วนะเรียกว่าคู่ปรับสําคัญของกิเลสนะก็คือสตินั่นเองนะอย่างเช่นอทุกวันนี้นะจะมีอาวุธในการต่อสู้ันที่สําคัญคือเครื่องบินในพ่นเครื่องบินในพ่นนี้จะบินเร็วมากบินเร็วกว่าเสียงนะคือพอเราได้ยินเสียงวับนี่เราตายแล้วนะเราหนีไม่ทันเลยเพราะบินเร็วกว่าเสียงเสียงนะบางทีไม่ทันได้ยินเสียงเราก็ตายแล้ว มันบินเร็วมากนะเพราะนั้นอาวุธธรรมดาเนี่ยจะสู้ไม่ได้ะเชน่นรถถังนี่ก็สู้ไม่ได้แน่นอนะแต่สิ่งที่จะมาสู้กับเครื่องบินในพ่นก็คือเครื่องบินในพ่นด้วยกันนั่นเองนะเพราะมีความเร็วใกล้เคียงกันสามารถที่จะอ่าขับไล่โจมตีอ่าทันกันนะกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่รวดเร็วเหมือนเครื่องบินในพ่นนะมันจะไวมากนะแค่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงปั๊บนี่มันทันทีน้ำเวทนามันเกิดทันทีเลยเอ่เกิดความยินดียินร้ายทันทีะ แต่สิ่งที่เป็นคู่ปรับนะก็คือสตินั่นเองนะสติก็คือเครื่องบินในพดเหมือนกันมันก็ไวนะมันจะ ร, รู้เท่าทันเออขณะนี้เรายินดียินร้ายเรารู้ทันนะมันจะไวขนาดนั้นเลยเมื่อรู้ทันปั๊บเนี่ยจากการที่มารู้ทันนะครั้ น, นี้รู้ทันแล้วจะทําอย่างไรอ่าตรงนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญอีกรู้ทันแล้วจะทําอย่างไรนะรู้ทันเออขณะนี้กํลาลังโกรธนะเราต้องขับไล่ความโกรธไป เออความกดไม่ดีนะไล่ไปเลยไล่หนีไปเลยผักดันออกไปผักใส่ไปอันนี้ก็ไม่ถูกอีกนะเพราะมันจะมาตรงกับที่พระเจ้าได้ทรงตัดเอาไว้ในอานสมุทยัยบอกว่าอ่าประการแรกก็คือการวตันหาคือความยินดีความใคร่ในการมทั้งหลายเพราะว่าตันหาคือวความอยากได้อยากมีอยากเป็นวิภาวตันหาคือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นกานะรการที่เราไปผักใสอารมณ์ต่างๆที่ไม่ชอบใจมันก็ ตกในข้อวิภาวตัญหานั่นเองก็คือเป็นปัญหาตัวหนึง่งตอนการที่เราไปผักไส่วมต่างๆก็เป็นวิภาวตัญหาก็คือตัญหาอยนั่นแหละซึ่งตัญหาพระพุทธเจ้าบอกให้ละละสมุทัยก็คือละตัญหาไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็จึงไม่ต้องไปผักใส่วมต่างๆเออมันไม่ดีผักสไส่ไปนะหรือไม่ก็ไปกดดันนะการไปบัติต่างๆไม่กดดันเขาให้เขาหนีไปอ่าผักไส่เขาไปด้วยการไปบัติต่างๆอันนั้นก็ไม่ใช่อีกนะอันนั้นก็เป็นวิพาวตัญหาทั้งหมดเลย คราวนี้เมื่อเกิดเวทนาแล้วเราจะทําอย่างไรนะก็คือรู้เฉยๆนั่นเองนะรู้เฉยๆนะการที่เรารู้เฉยๆนั่นแหละนี่คือหนทางที่เราไม่ไปผักใส่เขาแล้วเราก็ไม่ไปติดเขาด้วยนะไม่ใช่ว่า เ, ออเราไปติดอารมณ์ต่างๆไม่ใช่การรู้เฉยมันไม่ได้เป็นติดอารมณ์แล้วก็ไม่ผักใสนะแต่ว่าการรู้เฉยนั้นเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่ว่าเราไม่ให้ค่าในสิ่งเหล่านั้นนะไม่ให้ค่า เป็นการลุยเฉยไม่ให้ค่านะครูบาอาจารย์จะบอกว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆนี่แหละการไม่ให้ค่าการที่เราไม่อะไรกับอะไรกับเขาไม่เป็นอะไรกับเขาตรงเนี้มันจริงกายว่าเราไม่ได้ผักใส่แล้วเราไม่ติดนะการลุยเฉยนั้นเพียงแต่เราลุยเฉยแล้วเขาจะอยู่หรือเขาจะไปไม่เกี่ยวกับเรานะไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะฉะนั้นการแบบธรรมที่แท้จริงก็คือนะให้เขาเป็นไปตามที่เขาเป็น ไม่ใช่ให้ก็เป็นไปตามที่เราต้องการถ้าให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องกา ร, าาา ร, า ก, ารก็คือเราไปผักใส่เข้าบ้างไปติดเข้าบ้างนะคือให้เป็นไปตามเราต้องการนะเอออารมณ์ไม่ดีนี่ไปผักใส่เขาเลยอยา cool. นะ่าอยู่กับเราะทุกอย่างต้องดีหมดทุกอย่างต้องสงบนิ่งอนะ่ทุกอย่างต้องไม่ฟุ้งซ่านอนะ่อันนี้ก็คือให้เขาเป็นไปตามเราต้องการอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสมถะคือการไปบังคับกดข่มในะอารมณ์ทั้งหลายนะ ส่วนการบัตที่แท้จริงก็คือให้รู้ตามที่เขาเป็นไปตามความเป็นจริงนะก็คือเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะเมื่อรู้เฉยๆแล้วเขาจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะเขาจะไปก็ไปเขาจะอยู่ก็อยู่ไม่ใช่เรื่องของเรานะตรงนี้เรียกว่ารู้เฉยๆนะ <S <S <ฮ>ตรงนี้ถ้าเราดูไปครั้งหนึ่งว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนนะมีความสำคัญจนขนาดเป็นภาระหันได้เลยนะก็คือพระภายะอะ่พระพายะนี่อ่าเป็น สมัยก่อนเป็นพ่อค้าทางทะเลนะก็ค้าขายทางทะเลอะครั้งหนึ่งก็เกิดเรือล่มเรือสำเภาล่มก็ว่ายน้ําขึ้นฝั่งแต่ว่าเสื้อผ้าก็หลุดลุยไปในขณะว่ายน้ำํำพอขึ้นฝั่งก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ไปหาใบไม้มานุ่งแล้วก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านเห็นก็เข้าใจว่าเป็นพรทหารเพราะว่าแมวอะไรเลยแต่ท่านก็รู้ล่ะท่านไม่ได้เป็นพรทหารหรอกแต่ก็รับสมอ้างไปฉะนั้นเอง จนทั้งวันหนึ่งก็ได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแล้วท่านก็เดินทางทั้งวันทั้งคืนมาไปฟ้าพระพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นอ่าไปพบในขณะที่บินบาตอยู่กลางถนนก็ขอฟังธรรมครั้งที่หนึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงแสดงธรรมครั้งที่สองและครั้งที่สามอันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นแล้วว่าเออเริ่มจะสงบลงแล้วตัณหาอยากฟังก็เริ่มลดลงไปแล้วก็เลยทรงแสดงธรรมสั้นๆให้ฟังว่า เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อนั้นท่านจักไม่มีในโลกนี้จักไม่มีในโลกหน้าจักไม่มีในโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละเมื่อพระพิยดาได้ฟังเช่นนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะแล้วก็หลังนั้นก็ได้ทรงตั้งให้เป็นเอตัคทะ า, านในการบรรลุธรรมได้เร็วที่สุดนะคราวนี้นะ การที่แค่สักแต่ว่าเท่านั้นเองนะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ได้กินนลิงกระทบรถก็สักแต่ว่ากระทบรถกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สักแต่ว่าสัมผัสใจนึกคิดก็สักแต่ว่านึกคิดนี่แหละตรงนี้มันสักแต่ว่าคืออะไรสักแต่ว่าก็คือรู้เฉยๆนั่นเองะหรือการไม่ให้ค่าในสิ่งเราเห็นเรากระทบต่างๆในสิ่งเหล่านั้นนี่แหละคือการที่ไม่ให้ค่าหรือสักแต่ว่าที่แท้จริง ครูบาอาจารย์ให้เขาบอกว่าให้รู้เฉยๆรู้ซึ้๊อซึนะ้อเพราะนั้นเมื่อเกิดเวทนาในใจของเราไม่ว่าจะเป็นความยินดีร้ายก็ตามนะเราก็คือสักแต่ว่าคือรู้เฉยๆก็พอแล้วไม่ฆ่าก็พอแล้วเราก็จะไปหรือไม่ไปไม่ใช่เรื่องของเราแใ่เรารู้ตามความจริงว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เท่านั้นเองนะนะเขาจะอยู่แล้วก็บังคับบัญชาให้เขาหายไปไม่ได้นะสิ่งลนี้เป็นสิ่งที่ว่าเรากลับมาเห็นความจริงในตรงนี้มากกว่า ที่เราจะไปบังคับเข้าให้ดีตามเราต้องการแต่เรากลับมาเห็นความจริงในสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความเที่โคตทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้นั่นแหละเพราะเมื่อเราเห็นในตรงนี้เราจะเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นว่าเออจริงๆแล้วนะอารมณ์ต่างๆมันก็ไม่เที่ยงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทนในสภาวะเดิมไม่ได้การที่มันทนในสภาวะเดิมไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละก็คือความทุกข์ เหตุ hey, ที่มันทนในภาวะเดินไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเราจึงบังคับบัญชาเช่นนั้นไม่ได้เนี่ยมันย้อนกลับมาตรงนี้ได้เลยเมื่อกลับมาเห็นพระไตรลักษณ์ในการที่เราบังคับบัญชาสิ่งต่างไม่ได้เลยมันจึงแสดงความไม่เที่ยงความทุกข์เราเห็นมันจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรามันสามารถที่จะกลับมามองย้อนกลับไปในความที่ยังไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขทั้ง5้าเนี่ยไดนะ้เพราะนั้นมัาจะเลยย้อนกลับไปครั้งหนึ่งว่าทํำจะไหน การทำนิสสุทห่งกองทุกทั้งเส้นนี้จะพึงปรากฏชัดแกเราได้ก็คือกลับมาเห็นพระไตรลักษณ์นั่นเองนะกลับมเห็นพระไตรลักษณ์ในสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวตนของเราหรือว่าผู้อื่นบุคคลอื่นหรือสัพสิทธ์ทั้งหลายในโลกนี้ก็ล้วนตกในกฎพระไตรลักษณ์ทั้งนั้นเวามีแต่ความไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนะสิ่งต่างจะหาความเที่ยงไม่ได้เลยนะผู้ใดไปยึดว่ามันเที่ยงคนนั่นก็ทุกเองนะ เพราะสิ่งที่เที่ยงก็คือความไม่เที่ยงตัวเรามันก็ไม่เที่ยงนะมันเกิดมันก็แก่เนี่แหละแล้วมันเองมราก็ตายไปนะมันทนอยู่ในภาวะเดิมก็ไม่ได้นะเรานั่งตอนนี้เราเริ่มปวดแล้วนะเราจะทนนั่งอีกชั่วโมงเลยเราก็ทนไม่ไหวเนียมันก็ต้องลุกมาเปลี่ยนอีบทนะเพราะเราทนในสภาวะเดิมไม่ได้ทุกอย่างทนไม่ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ใหญ่โตขนาดไหนเป็นภูเขาเราวกาเป็นบ้านเป็นช่องเป็นแล้วมันทนไม่ได้ทั้งหมดมีแต่ความเสื่อมไปทั้งนั้นนะ ซื้อมาแล้วมันเสื่อมทันทีวิทยุต่างๆอมือถือต่า ง, างๆมันเสื่อมทันทีเราซื้อมามันเริ่มผิดก็ซื้อเสือเส่อมแล้วนะทุกอย่างมันเสื่อมอตัวเราก็เสื่อมแต่เกิดมามันเสื่อมตลอดไม่มีอะไรไม่เสื่อมเพราะนั้นไม่มีอะไรที่มันจะทนให้เราใช้ตลอดเลยมันต้องคอยซ่อมคอยเปลี่ยนคอยแก้ไขย อ, ยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าของใช้เราเองหรือตัวเราเองก็ต้องคอยซ่อมตลอดเวลานะซ่อมต่างๆเนี่ยเราซ่อมทุกวันโดยการกินอาหารเข้าไปไปซ่อมร่างกายของเราถ้าเราไม่กินมันยิ่งเสื่อมเร็วใหญ่นะ ไม่กินสองวันมันเสื่อมทันทีนะทุกเวลานาเกิดขึ้นทันทีนะเราไม่แปรงฟันสามวันนี้โอ้โหมันเสื่อมทันทีแล้วฟันเสื่อมอคนก็เห็นเราก็หนีเลยนะเราไม่อาบน้ำสองวันมันก็เสื่อมนะตัวเรามันเหม็นเน่าแล้วเนะมันเสื่อมทันทีเราเห็นความเสื่อมในสิ่งเหล่านี้ไหมนะถ้าเราไม่เห็นนี้เราไปยึดติดโอ้มันสวยมันงามนะเราไปรักแฟนเราโอ้สวยงามลองเข้าไม่แปรงฟันสักสามวันมาคุยกับเรานะมันจะเห็นเลยว่ามันจริงๆแล้วมันน่าเกลียด มันเสื่อมตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งระ บ, บังคับบัญชาเขาไม่ได้นั่นเองนะมือนจริงแสดงอ่าสิ่งต่างเราเห็นในสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วนะมันก็เกิดการไม่ยึดติดเกิดการคลายกําหนัดเมื่อความที่มันไม่ยึดติดนะมันก็เกิดการคลายกําหนัด ก, ก็คือมันเห็นในสภาวะที่มันน่าเบื่อหน่ายนะก็คือนิพินทางวิราชติวิลาคาริมุตติะเมื่อจิตเห็นนิพินทางก็คือ เกิดความเบื่อหน่ายแล้วนะก็เกิดวิมุตติก็คือการที่เราไม่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นขึ้นมานะก็คือการคลายออกนั่นเองนะไม่ได้เกิดการคลายออกในความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายเกิดวิลาคะคือการที่เราคลายออกจากการยึดมั่นถะือมันเมื่อเกิดวิลาค า, คาแล้วมันก็จะเกิดนะนิโรโทรคือการดับไม่เหลือของตัณหานะเกิดจาโคปนิสักคมุตตินารโยคือการทําให้ตัณหาหมดสิ้นไปไม่มีที่อาศัยในใจของเรา อันนี้ก็คือการที่เราพ้นทุกอย่างแท้จริงนะและทิพว่ามันนี่ก็คือนิโรธก็คือการดับทุกนะนี่โรธเป็นสิ่งเราต้องทําให้แจ้งนะมาร์กเป็นสิ่งเราต้องทําให้เจริญเมื่อเราเจริญด้วยมาร์องแปดแล้วก็จะเกิดนิโรธในใจของเราขึ้นมาอย่างแน่นอนก็คือการที่เราคลายออกนะจากความยึดติดในตัณหาทั้งหลายในขันห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะและนี่แหละก็คือที่สุดแห่งความกองทุกที่พระเจ้าได้ทรงอ่าแสดงไว้จากต้นแล้วว่า จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยอในธรรมะทั้งหลายผู้เจ้าก็คือทุกข์และความดับทุกข์นั่นเองนะตรงนี้ถ้าเราเข้าในตรงนี้ก็คือเราเข้าสู่ความดับทุกข์อันเป็นที่สุดของพุทธศาสนาแล้วนั่นก็คือการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงอเมื่อพ้นทุกข์เช่นนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในเบวลาระศาญยาวไกลนะไม่ต้องมาเกิดเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ให้คนเขากินให้คนเขาเชื่อให้คนก็ทารุณ น, นะอันนี้เป็นสิ่งที่โหดร้ายทารุณมากนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านก็ เคยระลึกได้ในชาติหนึ่งที่ท่านเคยเกิดมาเมื่อชาติก่อนแล้วท่านก็เล้งบัตรจนบรรลุเป็นพระรยาเจ้าแต่บัตรนี้ท่านก็จากเราไปแล้วก็มีคนเคยถามท่านแต่ท่านก็ตอบในหมูนะ่คณะเล่นเนอ่าแคบๆนะเป็นวงแคบของท่านบอกว่าท่านเห็นว่าเมื่อชาติที่แล้วนั้นท่านเคยเกิดเป็นบัวนะแล้วก็มีเจ้าของเนรไปปลูกไว้กลางทุ่งผูกทิ้งไว้ทั้งวันอากาศร้อนจัดมาก น้ำก็ไม่มีให้ทานท่านมีความทรมานมากจากการที่ถูกปลุกู่กลางทุ่งทรมานมากด้วยการหิวน้ำเป็นความทุกข์ที่สุดแล้วก็ร้องเพื่อให้คนเอาน้ำมาเอาน้ำมาให้ใ ห, ให้ให้ท่านทานในขณะเป็นบัวขณะนั้นก็คนก็นึกว่าเป็นวัวบ้าก็เลยมาทุบตีเอาหินน้ำคว้างใหญ่เลยนะอันนี้เป็นความทุกข์จริงนๆะเมื่อท่านระลึกได้เชนั้นท่านก็เล่เลร่งปฏิบัติความเพียรจนพ้นจากความทุกข์ไปได้นะ ตรงนี้ก็คือภพชาติยังยาวไกลซึ่งพวกเราไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่นะมันไม่มีที่ต้นและไม่มีที่ปลายนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วนะในการที่เราไปยึดมั่นถือมันทั้งหลายแล้วเราออกจากความยึดมั่นถือมั่นได้แหละอันนี้จะเป็นการตัดภพชาติให้สั้นลงและเมื่อสั้นลงแล้วในสุดก็จะหมดไปนะแต่ถ้าไม่สั้นมันจะไม่หมดเพราะฉะนั้นการเรามันจะทํามันสั้นก็คือเรารู้ทันในเวทนานทั้งหลายนั่นเอง เราจะละไม่ได้ในทีเดียวแต่ว่าเราก็ค่อยๆที่จะรู้เท่าทันไปเรื่อยๆได้มันจะค่อยๆตัดค่อยรัดค่อยสั้นไปเองนะไม่ต้องไปรอมันขาดทีเดียวมันไม่จะเป็นต้องขาดหรอกแต่เรารู้เป็นขณะขณะไว้ขณะนี้เราเกิดอะไรขึ้นมาในใจเรามีความยินดีรู้เท่าทันไหมมีความยินรไลรู้รู้เท่าทันไหมนี่แหละเป็นการรูขข้ขณะขณะซึ่งมันก็เพียงพอแล้วที่เราจะล ะ, ะตัณหาเหล่านั้นให้หมดไปละอุปทานให้หมดไปจากการรู้แต่ละขณะโดยอาศัยการเจริญสตินี่แหละให้รู้เท่าทัน ากายแลวใจเราตามความเป็นจริงนะเพราะนั้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัฐนาบารมีคุณพระตนัไตรมาน้อมนำให้พวกเราทุกท่านได้จะเดินด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงที่สุดแห่งความทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านเทิน